ปัตตวักที่3สิกขาบทที่1ว่าพึงทรงอธิเรกบาทไว้ได้10บวันเป็นอย่างยิ่งภิกษุให้ห่วงกําหนดนั้นไปเป็นนิสกิยาปาจิตตีบาทนั้นเป็นของทําด้วยดินเผาบ้างทําด้วยเหล็กบ้างมีขนาดเล็กกลางใหญ่อันจะกล่าวในที่อื่นเป็นของทรงอนุญาตให้เป็นบริขารของภิกษุเฉพาะใบเดียวบาทอันภิกษุตั้งไว้เป็นบริขารอย่างนี้เรียก บาดอธิษฐานบาทมากกว่านี้ตั้งแต่สองใบขึ้นไปเรียกอัติเรกบาทอัติเรกบาทนั้นไม่ได้ทรงพระอนุญาตเกิน1ิบวันเป็นพิเศษจุดจีวรที่ได้ทรงพระอนุญาตไว้บางคราวภิกษุให้ล่วงสิบวันไปเป็นนิสกิยะปจิตีคำเสียสละแก่บุคคลว่าอย่างนี้อยังเมพันเตปัตโตดาซาห้าติกนโตนิสกิโย อิมาหั่งอายสัมมโตนิสัจามิแปลว่าบาดใบนี้ของข้าพเจ้าล่วงสิบวันจําจะสละข้าพเจ้าสลาบาดใบนี้แก่ท่านคำคืนให้ว่าดังนี้อิมังปัตตังอายสัมมโตดัมมิแปลว่าข้าพเจ้าให้บาดใบนี้แก่ท่านไม่เสียสละบาดเป็นนิสกิยาปจิตตีใช้สอยต้องทุกกด บาทนั้นทรงอนุญาตให้วิกัปได้ดดจีวร อ, อธิบายนอกจากนี้พึงรู้โดยในอันกล่าวแล้วในสิกขาบทปรารบอติเรกจีวรสิกขาบทที่สองว่าอันหนึ่งภิกษุใดมีบาทมีแผลหย่อนห้าให้จ่ายบาทอื่นใหม่เป็นนิสกิยะปจิตเตภิกษุนั้นพึงสละบาทนั้นในภิกษุบริษัทบาทในที่สุดแห่งบริษัทนั้น พึงมอบให้แก่ภิกษุนั้นสั่งว่านี้บาดของท่านพึงทรงไว้คือใช้กว่าจะแตกนี้เป็นสามีจีกรรมคือการชอบในเรื่องนี้รอยร้าวยาวตั้งแต่สองนิ้วจัดว่าเป็นแผลแห่งหนึ่งแห่งบาดยาวไม่ถึงนั้นไม่นับคำว่าจ่ายนั้นท่านแก้ไว้ในคำภีวิพังว่าขอบาดเป็นนิสกีในสิกขาบทนี้ ท่านให้สลัดในสงครันแล้วสงพึงสมมุติภิกษุรูปหนึ่งผู้ไม่รู้อำนาจอคติและรู้จักจะทำให้เป็นผู้เปลี่ยนบาทภิกษุนั้นพึงอาบาตใหม่นั้นถวายพระเถระอาบาตของพระเถระถวายพระรูปที่สองเปลี่ยนเลื่อยลงมาโดยในนี้จนภิกษุใหม่ในสงแล้วรับบาทของภิกษุใหม่นั้น มอบให้แก่ภิกษุนั้นไว้ใช้มีคำห้ามไว้ไม่ให้อธิษฐานบาดเลวด้วยหมายจะได้บาดดีทำอย่างนั้นปรับเป็นทุกกฎการเปลี่ยนบาดเช่นนี้ไม่น่าจะเห็นว่าได้ดีกว่ากาันเป็นลำดับขึ้นไปตั้งแต่สังฆนว ก, กะจนถึงพระสังฆเถระเมื่อเป็นเช่นนี้ภิกษุบริษัทนั้นต้องพลอยได้พลอยเสียด้วยภิกษุผู้ต้องอาบัตินิสกิยปชิตี ยังไม่เป็นธรรมปรากฏพอน่าจะมีเหตุอะไรแฝงอยู่แต่ในเวลานี้ยังตรองไม่เห็นพระวินัยทรจงดำริข้างหน้าเถิดสิคขาบทที่สามว่าอันหนึ่งมีเพศัชอันควรลิ้มของภิกษุผู้อาภาคคือในใสในคน้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยภิกษุรับประเคนของนั้นแล้วพึงเก็บไว้ฉันได้เจ็ดวันเป็นอย่างยิ่ง ภิกษุให้หลวงกำหนดนั้นไปเป็นนิสกิยาปาจิตเตอในคัมภีวิพังแก้เพศัตว์หไว้ว่าเนยใสยเนยข้นนั้นทำจากน้ำนมโขบ้างน้ำนมแพ้บ้างน้ำนมกระบือบ้างมังสะของสัตว์ใดเป็นกัปปิยะทำจากน้ำนมสัตว์นั้นก็ใช้ได้น้ำมันนั้นสกัดออกจากเมล็ดงาบ้างจากเมล็ดพันผักกาดบ้างจากเมล็ด มะุกะที่แปลว่ามะา้างบ้างจากเมล็ดละหุ่งบ้างจากเปลวสัตว์บ้างน้ำพึ่งนั้นคือรสหวานที่แมลงพึ่งทําน้ำอ้อยนั้นคือรสหวานเกิดจากอ้อยเพราะคําหลังนี้พระเถระบางรูปรังเกียจรสหวานอันออกจากต้นตาลความพอใจของท่านจะถือเท่าสัพท์แนวไปไม่พึงเพ่งถึงอรรถรส มติของข้าพเจ้ารสหวานอันออกจากอ้อยก็ดีตางก็ดีจากอื่นอีกก็ดีย่อมให้สําเร็จประโยชน์เป็นอย่างเดียวกันใช้ได้เหมือนกันไม่ควรรังเกียจข้อนี้คนสามันเขาก็เข้าใจกันเขาตั้งชื่อว่าน้ําตาลเหตุที่ตั้งชื่ออย่างนี้เพราะได้พบหรือเคยใช้รสหวานออกจากตางก่อนชอรอยอ้อยไม่ใช่ของเกิดเดิมในพื้นเมือง ภายหลังได้พบว่าออกจากมะพร้าวก็มีออกจากอ้อยก็มีออกจากอื่นก็มีเขาก็คงเรียกว่าน้ําตาลตามเดิมเพ่งเอาแต่อัทธรสคําแก้บทผานิต่ว่ารสหวานเกิดแต่อ้อยหรือเรียกว่าน้ําอ้อยในคำภีวิพังนั้นก็เป็นอย่างเดียวกันที่นั้นพบว่าออกจากอ้อยก่อนก็ตั้งชื่อตามนั้น ภายหลังพบว่าออกจากอย่างอื่นอีกก็คงเรียกอย่างนั้นมีอุทาหรหอนึ่งชาเมคศพบว่าน้ำมันออกจากเมล็ดงาซึ่งเรียกว่าตีลังจึงตั้งชื่อว่าเตลังแปลว่าออกจากเมล็ดงาภายหลังพบว่าน้ำมันออกจากเมล็ดอื่นก็มีออกจากเปลวมันก็มีก็คงเรียกว่าเตลังอยู่นั่นเอง ถ้าเข้าใจว่าใช้ได้เฉพาะรถเกิดแต่อ้อยเท่านั้นแล้วอย่าใช้เสียเลยดีกว่ารู้ด้วยอย่างไรว่าน้ำตาลในทุกวันนี้ท่ามออกจากน้ำอ้อยเอจไนทรงพระอนุญาตให้ใช้ได้เพียง7วันเป็นอย่างมากข้าพเจ้าเข้าใจว่าเพื่อจากการใช้ของเสียเช่นมีกลิ่นหืนและมีรสเปรี้ยวอย่างไรก็ตามภิกษุให้ล่วงเจวันไปเป็นนิสกี คำเสียสละแก่บุคคลว่าอิดังเมพันเตเพศจังสตาหาติกันตังนิสกิยังอิมาหัง่งอายสมะโตนิสัจามิแปลว่าเพศัตนี้ของข้าพเจ้าล่วงเจ็ดวันจำจะสละข้าพเจ้าสละเพศัตนี้แก่ท่านคำคืนให้ว่าดังนี้อิมังเพัจังอายสมมโตดัมมิแปลว่า ข้าพเจ้าให้เพสัตชนี้แก่ท่านท่านสั่งไว้ว่าได้เพสัตชที่สละแล้วคืนมาภิกษุนั่นเองก็ดีภิกษุอื่นก็ดีอย่าฉันใช้ในกิจภายนอกเป็นต้นว่าตามไฟและผสมสีได้อยู่ภิกษุอื่นท่านอนุญาตให้ใช้ทากายได้ด้วยผูกใจไว้ก่อนว่าจะไม่บริโภคล่วงเจ็วันไปไม่เป็นอาบัติ ของนั้นสูญหายไปเสียก็ดีขาดจากกรรมสิทธิ์ของตนแล้วก็ดีในภายในเจวันชื่อว่าไม่มีแล้วไม่เป็นวัตถุแห่งอาบัตท่านกล่าวว่าสละให้ขาดแก่อนุประสัมคบันแล้วได้คืนมาฉันได้อีกถ้าเพศล่วงเจ็วันแม้ภิกษุอื่นก็ไม่ควรฉันน่าจะไม่ควรเหมือนกันแต่จะเรียกว่าไม่เป็นนิสกีได้อยู่สิกขาบทที่สว่า ภิกษุรู้ว่าฤดูร้อนยังเหลืออีกหนึ่งเดือนพึงแสวงหาจีวรคือผ้าอน้าฝนได้รู้ว่าฤดูร้อนยังเหลืออีกกึ่งเดือนพึ่งทานุ่งได้ถ้าเธอรู้ว่าฤดูร้อนเหลือล้ํากว่าหนึ่งเดือนแสวงหาจีวรคือผ้าอน้าฝนรู้ว่าฤดูร้อนเหลือล้ํากว่ากึ่งเดือนทานุ่งเป็นนิสกิยาปจิตเตะผ้าอน้าฝนนั้น เป็นของทรงพระอนุญาตเป็นบริขารพิเศษชั่วคราวของภิกษุอธิษฐานไว้ใช้ได้ตลอด4เดือนฤดูฝนพ้นนั้นเป็นธรรมเนียมให้วิกัลในสิกขาบทนี้ทรงพระอนุญาตให้สแสวงหาล้มฤดูฝนเข้ามา1เดือนคือตั้งแต่เดือน7แรมค่ำหนถึงเดือน8ขึ้น15คห้าให้ทํานุ่งล้ําฤดูฝนเข้ามากึ่งเดือนคือตั้งแต่เดือน8ขึ้น1น่งค่ำ ถึงขึ้น15คหาคำพระพุทธอนุ ญ, ญาตให้แสวงหานั้นน่าจะใช้ประโยชน์พิเศษอย่างได้อย่างหนึ่งเช่นขอเขาได้ตรงๆและเก็บไว้ได้นานกว่าอติเรกจีวรสามันแต่การขอเขาตรงๆนั้นท่านห้ามไวในคำพีวิพังท่านอนุ ญ, ญาตให้บอกเขาเพียงว่าถึงการแห่งผ้าวสิกาสาดกละและผ้าที่หาได้มาแล้ว มีคติเป็นอย่างไรท่านไม่กล่าวถึงพระพุทธนุญาตให้ทำนุ่งนั้นท่านน่าจะให้ประโยชน์พิเศษคือทิฏฐานล้ำเข้ามาก่อนฤดูฝนได้แต่ท่านไม่ได้กล่าวถึงการปรับอาบัตในสิกขาบทนี้เพราะถือเอาประโยชน์พิเศษนั้นล้ำกำหนดการที่ทรงพระอนุญาตไว้น่าจะแลเห็นว่ามุ่งวันมากออกไปจะมีข้อจะพึงวิจารณ์ว่า ถ้าภิกษุสแสวงหาล้ากำหนดนั้นแต่หาในสำนักญาติอันไม่เป็นวินยัตจะได้บริหารอย่างอัติเรกจีวรหรือไม่หรือสักว่าต้องการเป็นภาพน้าฝนสแสวงหาล้ากำหนดได้มาก็เป็นนิสกีไม่ได้บริหารอย่างอัติเรกจีวรถ้าอย่างนี้ใครจะโง่เกินไปจนถึงจะให้ต้องอาบัตในสิกขาบทนี้ อย่างไรก็ยังมีทางแก้ตัวอีกว่ารับมาโดยฐานเป็นอติรรกจีวอนต่างหากอันหนึ่งถ้าภิกษุทำนุ่งล้าเขตพระพุทธนุญาตจะกำหนดต่างอย่างไรจากนุ่งอัติรรกจีวนรนกัปเจ้าปรารถนาจะเข้าใจว่าการสแสวงหาล้าเขตพระพุทธนุญาตนั้นมาเฉพาะขอต่อครือัดผู้มีชยญาตมิใช่คนปรวรณา แม้จะขอโดยฐานเป็นอัติกจีวรก็คงเป็นนิสกีในสิกขาบทอันปรารบการขอจีวรเหมือนกันการทํานุ่งนั้นหมายเอาอธิษฐานไว้ใช้เป็นภ้าวัสิกาสาดกถ้าสแสวงหาในสํานักญาติและคนปวารณาที่ไม่เป็นวิญยัตและใช้นุ่งด้วยมิได้อธิษฐานเช่นนี้ได้บริหารอย่างอัติกจีวรไม่นับเข้าในสิกขาบทนี้อันหนึ่ง อาจแห่งสิขาบทนี้บ่งว่าอาบัตเป็นสจิตกะแต่ในคำพีวิพังท่านแก้เป็นอจิตกะพิจารณาดูก็น่าจะเป็นจริงอย่างนั้นต่างว่ายังไม่ถึงการกำหนดพิสูุสํสำคัญว่าถึงแล้วด้วยนับวนพลาดไปสแสวงหาภาพาน้ำฝนในสำนักขรัค์มิใช่ยากมิใช่ประวัรณาดังนี้จะว่าไม่เป็นอาบัตเลยก็ไม่ได้ ข้าพเจ้าเข้าใจว่าความแห่งสิกขาบทนี้ไม่ได้เพ่งถึงความเข้าใจผิดเลยถือเสียว่ารู้จักนับวนอยู่ด้วยกันทั้งนั้นแม้หากการนับวันพลาดในหัวต่อแห่งกําหนดการอันเป็นเขตจะพึงมีได้บ้างเพราะเหตุนั้นต้องเข้าใจตามคําของพระคันธารเจนาจารว่าอาบัตในสิกขาบทนี้เป็นอจิตกะ สิขาบทที่5ว่าอันหนึ่งภิกษุใดให้จีวรแก่ภิกษุเองแล้วโกรธน้อยใจชิงมาก็ดีให้ชิงเอามาก็ดีเป็นนิสกียป จ, จิติการชิงเอาจีวรคืนท่านปรับเพียงเป็นนิสกีเท่านั้นเพราะทําด้วยสกัดสัญญาและท่านรับรองกรรมสิทธิแห่งเจ้าของเดิมว่ายังมีอยู่ในจีวร น, นั้นจึงไม่ปรับเป็นอวหาร นิทานต้นสิกขาบทบ่งข้อความนี้ชัดด้วยการกล่าวให้จีวรแก่กันด้วยหวังจะให้ทำกิจอย่างหนึ่งฝ่ายภิกษุผู้ได้รับกลับใจเสียหาทำไม่เช่นนี้ภิกษุผู้ให้ควรได้รับประโยชน์จากการให้นั้นแต่การชิงเอามาไม่เป็นความดีความงามสิกขาบทนี้กล่าวเฉพาะจีวรชิงบริขารอื่นคืนมาไม่ดีเหมือนกัน ท่านจึงปรับเป็นทุกกฎและสีขาบทนี้ปลารบภิกษุต่อภิกษุด้วยกันแต่ทำแก่อนุปสัมคบันก็ไม่ดีเหมือนกันท่านจึงปรับเป็นทุกกฎภิกษุนั้นให้คือเนงก็ดีเจ้าของเดิมถือเอาด้วยวิาสาสะแก่ภิกษุนั้นก็ดีท่านว่าไม่เป็นอาบัติคำต้นพึงรู้เช่นรับไว้เพื่อจะทาประโยชน์อย่างหนึ่งให้ รันจะไม่ทำประโยชน์อย่างนั้นแล้วคืนให้เจ้าของเดิมเสียเจ้าของเดิมรับคืนไม่เป็นอาบัติคำหลังพึงรู้เจ่นไม่ได้โกรธเคืองแต่เห็นว่าเธอไม่ต้องการใช้ขอเอากลับคืนมาไม่เป็นอาบัติสิกขาบทที่6ว่าอันหนึ่งภิกษูใดขอได้มาเองแล้วยังช่างหูกให้ทอรจีวรเป็นนิสขิยปาจิตี คำว่าขอในที่นี้พึงรู้ว่าทาในสํานักขรรคผู้มิชญาตมีใช่คนประวรณาขอภาคที่ทอแล้วห้ามด้วยสิกขาบทปรารบการขอจีวรขอได้อมทอเองห้ามด้วยสิกขาบทนี้สิกขาบทที่7จว่าอนหนึ่งพ่อเจ้าเรือนก็ดีแม่เจ้าเรือนก็ดีผู้มิชญาตสั่งช่างหูกให้ทอจีวรเฉพาะภิกษุ ถ้าภิกษุนั้นเขาไม่ได้ปะวารณาไว้ก่อนเข้าไปหาช่างหูกแล้วถึงความกำหนดในจีวรในสำนักของเขานั้นว่าจีวรผืนนี้ทอเฉพาะรูปขอท่านจงทาให้ยาวให้กว้างให้แน่นให้เป็นของที่ขึงดีให้เป็นของที่ทอดีให้เป็นของที่สางดีให้เป็นของที่กรีดดีแม้ฉชไหน รูปจะให้ของเล็กน้อยเป็นรางวัลแก่ท่านครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วภิกษุนั้นให้ของเล็กน้อยเป็นรางวัลโดยที่สุดแม้ศักด์ว่าบิณฑบาตเป็นนิสกิยปาจิตตีความอธิบายแห่งสิกขาบทนี้พึงรู้โดยในอันกล่าวแล้วในสิกขาบทปรารบการเตรียมจะจ่ายจีวรที่8แห่งจีวรละวัชสิกขาบทที่8ว่า วันบุรณมีที่ครบ3เดือนแห่งเดือนกติกาคือเดือน11ยังไม่มาอีก10วันอัเจกจีวอนเกิดขึ้นแก่ภิกษุภิกษุรู้ว่าเป็นอัเจกจีวอนพึงรับไว้ได้ครั้งรับไว้แล้วพึงเก็บไว้ได้จนตลอดสมัยที่เป็นจีวรการถ้าเธอเก็บไว้ยิ่งกว่านั้นเป็นนิสกิยาปจิตเตเดือนกติกานั้นมีสอง วันเพนเดือนกติกาต้นเรียกว่าบุรณมีที่ครบสามเดือนตรงกับวันเพนเดือนสิบเอเป็นวันประวัตนาวันเพนแห่งเดือนกติกาหลังเรียกว่าบุรณมีเป็นที่เต็มสี่เดือนบ้างเรียกว่าบุรณมีเป็นที่บานแห่งดอกกุมุดบ้างเรียกแต่เพียงว่าบุรณมีแห่งเดือนกติกาบ้าง ตรงกับวันเพ็ญเดือน12วันบุรณมีที่ครบ3เดือนแห่งเดือนกติกายังไม่มาอีก10วันตรงขึ้น6ข้ามเดือน11เมื่อพ้นวันบุรณมีนั้นแล้วเข้าเขตจีวรลการอันเป็นสมัยที่ทายกถวายผ้าแก่ภิกษุพวกพรรษาแล้วซึ่งเรียกว่าวัสสาวาสิกาหรือว่าผ้าจำนำพรรษา และเป็นเวลาที่ภิกษุผลัดเปลี่ยนจีวรพระศัสดาทรงอนุญาตประโยชน์พิเศษไว้หลายประการเป็นต้นว่าเก็บอัติกจีวรไว้ได้เกิน10วันไปข้างไหนไม่ต้องมีครบตรจีวรตลอดเดือนหนึ่งถึงวันเพนเดือนกติกาหลังถ้าได้กลางกระถินในระหว่างนั้นยืดออกไปได้อีกสเดือนในฤดูเหมันยังไม่ทันถึงกาหนดนั้นอีกสิบวัน หากจะมีทายกรีบร้อนขอถวายผ้าจำนำพรนษาปราบรเหตุต่างๆเช่นจะต้องไปในกองทัพก็ดีจะไม่อยู่ด้วยกิจการอื่นก็ดีเจ็บไข้หรือเป็นหญิงมีครรภ์ไม่ไว้ใจต่อชีวิตก็ดีมีศรัทธาเลื่อมใสเกิดขึ้นใหม่ก็ดีผ้าชนี้เรียกอเจกจีวอนแปลว่าจีวอนรียบร้อนทรงพระอนุ ญ, ญาตให้รับล่วงหน้าได้ ในสิขาบทนี้และให้เก็บไว้ได้ตั้งแต่วันรับตลอดจีวรการข้อนี้ให้สนิฐานเห็นว่าประธานประโยชน์พิเศษไว้คือภิกษุจำพรรษาอีกสิบวันจึงจะครบกำหนดสเดือนถือว่าเป็นใช้ได้แต่ในวัสุปั ญ, ญิกาขันธกะกำหนดไว้สัตตาหากหนึ่งเมื่อถึงกำหนดนี้แล้ว มีกิจจำจะไปไม่ต้องกลับมาใน7วันก็ได้ในสิกขาบทนี้กำหนด10วันเท่ากับอายุอัติเรกจีวอพอถึงจีวรารการก็ไม่ต้องวิกับต่อพ้นกำหนดนั้นไปแล้วจึงเป็นนิสสคีสิกขาบทที่9ว่าอันหนึ่งถึงวันบุรณมีแห่งเดือนกติกาที่สุดแห่งฤ ด, ดูฝนภิกษุอยู่ในเสนาสนะป่า ที่รู้กันว่าเป็นที่มีรังเกียจมีภยัยเฉพาะหน้าปวารณาอยู่พึงเก็บจีวรสผืนผืนใดผืนหนึ่งไว้ในละแวกบ้านได้และปัจจัยอะไรๆเพื่อจะอยู่ปราศจากจีวร น, นั้นจะพึงมีแก่ภิกษุภิกษุนั้นพึงอยู่ปราศจากจีวร น, นั้นได้หกคืนเป็นอย่างยิ่งถ้าเธออยู่ปราดยิ่งกว่านั้น เว้นไว้แต่ภิกษุได้สมมติเป็นนิสกียปจิตติบาลีแห่งสิกขาบทนี้มัวเข้าใจยากจะพูดถึงมากไปก็เกรงจะฟั่นเฟือขอแสดงตามความเข้าใจของข้าพเจ้าดังนี้ว่าภิกษุอยู่ในเสนาสนะป่าเป็นที่เปลี่ยวระแวงภัยตลอดมาถึงวันเพนเดือน12 ถ้ามีเหตุบางอย่างเพื่อจะอยู่ปราศจากไตรจีวรบางผืนเธอปรารถนาอย่างนั้นก็เก็บจีวรผืนใดผืนหนึ่งนั้นไว้ในละแวกบ้านได้แต่จะอยู่ปราศจากจีวรผืนนั้นได้เพียง6คืนเป็นอย่างมากตามในนี้ภิกษุผู้จำพรรษามาแล้วคงได้อนุญาตเพื่ออยู่ปราศจากจีวรเพิ่มขึ้นจากจีวรการอีก6วัน ข้าพเจ้าไม่ยืนยันว่าความเข้าใจนี้เป็นถูกขอฝากไว้แก่นักวินัยเพื่อดำริต่อไปแต่ขอชี้แง่ที่จะพึงดำริไว้คืออุปะวะสังบทหนึ่งภาคว่าถึงปัจจัยเพื่อจะอยู่ปราศจากจีวร อ, อันเรียงแยกจากภาคก่อนแห่งหนึ่งเสนาสนาปะป่านั้นในคำพีวิพังกล่าวว่า มีระยะไกล500ชั่วทนูเป็นอย่างน้อยชั่วทนูหนึ่งสศอกคือหนึ่งวาวัดโดยทางที่ไปมาตามปกติไม่ใช่ลัดโดยในนี้เสนาสะนะอันอยู่ไกลาจากบ้านคนอย่างน้อยเพียง25เส้นชื่อว่าเสนาสะนะป่าเสนาสะนะเช่นนั้นจัดว่าเป็นที่รังเกียจเพราะเป็นที่อยู่ที่กินเป็นต้นของพวกโจร ปรากฏอยู่จัดว่าเป็นที่มีภัยเฉพาะหน้าเพราะมีคนถูกฆ่าถูกตีถูกปล้นปรากฏอยู่ภิกษุอยู่ในเสนาสนะเช่นนี้ได้ประโยชน์พิเศษเพื่อจะอยู่ปราศจากจีวรเพิ่มขึ้นอีกหคืนตามพระพุทธนุญาตในสิกขาบทนี้สิกขาบทที่10ว่าอันหนึ่งภิกษุใดรู้อยู่น้อมลาบที่เขาน้อมไว้เป็นของ จ้ถวายส่งมาเพื่อตนเป็นนิสกิยปัจจิตีลาบในที่นี้ได้เก่จีวรบินทบาทศีนศาสนาและเภสัชซึ่งเรียกว่าปจัจจัยสี่และของที่เป็นกัปปิยะอย่างอื่นๆอีกลาบนั้นที่ว่าเขาน้อมไว้เป็นของเจถวายส่งนั้นคือเตรียมไว้ด้วยตั้งใจอย่างนั้นยังไม่ทันจะได้ถวาย ภิกษุน้อมลาบใช้นั้นมาเพื่อตนคือขอเอาก็ดีพูดเรียบเคียงเพื่อเขาจะได้ให้ก็ดีในประโยคที่ทำเป็นทุกกฎได้มาเป็นนิสกีคำเสียสละแก่บุคคลว่าอิดังเมพันเตยานังสร้างขิกังลาพังปรินตังอัตโนปริวามิตังนิสกิยังอิมาหัง่งอายสมาโตนิสจามิ แปลว่าลาบนี้เขาน้อมไปเป็นของจะถวายสงฆ์ข้าพเจ้ารู้อยู่น้อมมาเพื่อตนจาจะสละข้าพเจ้าสละลากนี้แก่ท่านน้อมลาบที่เขาจะถวายสงฆ์ไปเพื่อสงฆ์มู่อื่นก็ดีเพื่อเจดีก็ดีเป็นทุกกฎน้อมไปเพื่อบุคคลอนุโลมตามสิกขาบทนี้ก็น่าจะเป็นทุกกฎเหมือนกัน แต่ปรับไว้เป็นปาจิตีในสิกขาบทอื่นน้อมราบที่เขาจะถวายเจดีก็ดีที่เขาจะถวายบุคคลคดีให้สับกันเสียท่านว่าเป็นทุกกฎเหมือนกันเพราะมีคำว่ารู้อยู่อาบัตในสิกขาบทนี้เป็นสจิตกะในสิกขาบทที่ปรับอาบัตเป็นสจิตกะเช่นนี้ภิกษุไม่รู้แน่แต่สงสัยคือล่วงต้องทุกกฎ ทำด้วยไม่รู้ไม่เป็นอาบัติเฉพาะในสิกขาบทนี้เขาปรึกษาบอกแนะนำไม่เป็นอาบัติสรุปะนิสกียาวัตถุของที่เป็นนิสกีใน30สิคสกขาบทนี้ควรจะจัดเข้าได้เป็น3หมวดหมวดที่1เป็นนิสกีโดยวัตถุหมวดที่2เป็นนิสกีโดยอาการของภิกษุหมวดที่สาม เป็นนิสกีโดยล่วงเวลาหมวดที่1เป็นนิสกีโดยวัตถุทองเงินของเป็นกับปิยะที่แลกเปลี่ยนด้วยรูปียะสันถัดที่หล่อเจือด้วยไหมสันถัดที่หล่อด้วยขนเจียมดำล้วนสันถัดที่หล่อใช้ขนเจียมดำเกินส่วนหมวดที่2เป็นนิสกีโดยอาการของภิกษุโดยกิริยาที่ได้มา จีวรที่ได้รับจากมือนางภิกษุณีผู้มิใช่ญาติจีวรที่ขอต่อเครหันผู้มิใช่ญาติมิใช่ปวารณาจีวรที่ขอเกินกำหนดในเมื่อมีสมัยที่จะขอได้จีวรที่สั่งให้เขาจ่ายดีขึ้นไปกว่าที่เขากำหนดไว้มี2ชนิดจีวรที่ได้มาด้วยทวงเกินกำหนดของที่แลกเปลี่ยนกับครหอขันได้มา บาทที่ขอเขาในการอย่างไม่ควรจีวรที่ให้แก่ภิกษุอื่นแล้วชิงเอาคืนมาได้ที่ขอเขามาทอจีวรจีวรที่สั่งให้ช่างหูกทอดีกว่าเจ้าของเขากําหนดไว้ลาบสงที่น้อมมาเพื่อตนโดยกิริยาที่ทําจีวรที่ใช้ภิกษุณีผู้มิชีญาติให้ซักก็ดีให้ย้อมก็ดีให้ทุบก็ดี สันทัดที่หล่อใหม่ในเมื่อใช้สันถัดเก่ายังไม่ถึง6ปีสันทัดที่หล่อใหม่ไม่เอาสันถัดเก่าปนโดยกิริยาทำให้ล้ากาหนดขนเจียมที่ถือเอามาเองเกิน3โมยอภาพน้ำฝนที่หาได้หรือทำนุ่งล้วาวันกาหนดหมวดที่สาเป็นนิสกีโดยล่วงเวลาไตรจีวอนอยู่ปราดเกินราตรีหนึ่งอัตรเรกจีวอล่วงสิบวัน อันติเรกบาทล่วง10วันอาการะจีวอนที่ได้อนุ ญ, ญาตเกินเดือน1อึ่อเจกจีวอนล่วงจีวรการจีวอนอยู่ปราดเกิน6คืนในคราวได้อนุ ญ, ญาตพิเศษเพศัดล่วงเจ็วันของเป็นนิสกีนอกจากทองเงินและของเป็นกปิยะแลกเปลี่ยนด้วยรูปยะและบาทที่ขอได้มาใหม่ในการไม่ควร ท่านกล่าวว่าสละแก่สง์ก็ได้แก่คณะก็ได้แก่บุคคลก็ได้แต่สมอย่างนั้นให้สละในสงฆ์ใครครวรดูของที่อนุญาตให้สละแก่บุคคลได้ใครเลยจะสละแก่สงฆ์แก่คณะให้ลำบากขึ้นไปกว่าคำที่ว่าไว้นั้นดูไม่มีประโยชน์ถ้าคำนั้นเป็นถ้อยคำที่ไม่ปราศจากประโยชน์น่าจะมีกำหนดว่า ของเช่นไรควรสละแก่สงของเช่นไรควรสละแก่บุคคลคณะไม่ต้องพูดถึงเพราะในวัดไม่มีภิกษุครบองค์เป็นสงมีเพียงสมรูปสองรูปเรียกว่าคณะจะสละแก่สงไม่ได้ก็ต้องสละแก่คณะอันหนึ่งของที่สละแล้วท่านกล่าวไว้เป็นธรรมเนียมที่สงก็ดีคณะก็ดีบุคคลก็ดีผู้รับสละ จะพึ่งคืนให้แก่เจ้าของเดิมเว้นไว้แต่เสียสละของสามอย่างที่ระบุไว้ข้างต้นและของที่ได้คืนมานั้นสิ่งไรใช้ได้อีกสิ่งไรใช้ไม่ได้ท่านไม่กล่าวไว้ให้ชัดเว้นไว้แต่ของบางสิ่งเช่นเพสัตล่วงเจ็วันแต่มีแง่อยู่อย่างหนึ่งว่าในที่บางแห่งท่านกล่าวว่าไม่สละจีวรเป็นนิสกีใช้สอยต้องอบัตทุกกฎ ในที่บางแห่งท่านหากล่าวไม่ในที่อันกล่าวไว้ของที่ได้คืนมาแล้วใช้ได้อีกกระมังตามธรรมเนียมที่พวกภิกษุเคยใช้กันมาไตรจีวร อ, อยู่ปราดน่วงราตรีหนึ่งอัติเรกจีวรและอัติเรกบาทล่วงสิบวันเสียสละแล้วได้มาใช้ได้อีกแต่ไตรจีวรต้องอธิษฐานใหม่อัติเรกจีวรและอัติเรกบาดก็นับวันไปใหม่ กพเจ้าเข้าใจว่าของที่เป็นนิสกีโดยวัตถุหมวดที่หนึ่งย่อมไม่ควรโดยส่วนเดียวไม่น่าจะเป็นของจะพึงคืนให้อีกเพราะได้มาแล้วก็ใช้สอยไม่ได้การให้คืนดูหาประโยชน์ไม่ได้ของเป็นนิสกีโดยล่วงการหมวดที่สไม่ได้เป็นอากาพิยะโดยชาติและโดยอาการที่ได้มาเป็นแต่ล่วงวันกำหนดพระพุทธอนุ ญ, ญาตเท่านั้น ของเช่นนี้เสียสละแล้วน่าจะให้คืนและเป็นของที่ควรจะบริโภคได้อีกเว้นไว้แต่เพสัชมีชัดอยู่แล้วว่าให้ใช้ในกิจอื่นนอกจากกลืนกินของเป็นนิสกีโดยอาการของภิกษุหมวดที่สองโดยกิริยาเป็นเหตุได้มาไม่น่าจะเป็นของใช้ได้อีกโดยกิริยาที่ทำและโดยกิริยาที่ให้ล่วงกำหนดพระผู้อนุญาต น่าจะเป็นของใช้ได้อีกเว้นไว้แต่ผ้าวัสิกาสาดกที่ขอในสำนักคนต้องห้ามจะควรเสียสละให้เก่ใครนั้นถ้าจะให้คำในคำพีวิพังมีประโยชน์แล้วก็น่าจะสลเกเก่สงก่อนในวัดที่มีพระน้อยหาภิกษุครบองค์เป็นสงไม่ได้ก็น่าจะสลากก่คณนะถ้าหาคณะไม่ได้จึงควรสละแเก่บุคคล แต่วิธีนี้ดูเหมือนจะลำบากมากไปสำหรับในบัดนี้เพราะฉะนั้นควรจะดูตามอนุรูปถ้าการต้องอาบัตรนั้นเป็นเหตุฉาวกระชอนเป็นที่รังเกียจของคนมากควรสลาดในสงฆ์ถ้าไม่มีใครถือเอาเป็นข้อรังเกียจใหญ่โตควรสลาแก่บุคคลได้ถ้าเป็นของไม่ควรบริโภคอีกคำสลาไม่ควรจะว่าสร้างคัศแก่สง อายสมะโตแก่ท่านควรจะว่าเพียงอิมาหั่งนิสจฉามิข้าพระเจ้าสละของนี้เสียเพราะของเป็นอกปิยะสงก็ดีบุคคลก็ดีจะรับเอาไว้อย่างไรการที่ทำนี้ก็เพื่อจะแสดงให้ปรากฏหรือให้เป็นพยานว่าได้แก้ตัวเพราะข้อนั้นแล้วส่วนของที่เป็นอกปิยะนั้นก็ควรบอกให้เครหัด หรือทิ้งเสียอนุโลมตามอย่างทองเงินต่อของเป็นกับิยะควรจะบริโภคได้อีกจึงคืนให้เจ้าของเดิมของเป็นนิสกีแต่สูญหายไปเสียแล้วไม่มีจะเสียสละเป็นแต่พึงแสดงอาบัตเท่านั้นจะพึงแสดงต่อสงฆ์หรือต่อบุคคลเพิ่งเห็นโดยในอันกล่าวแล้วในบัตรนี้สิกขาบทที่ล่อแหลมที่ภิกษุจะล่วงก็มีน้อย อธิบายไว้ยืดยาวดังนี้เพื่อเป็นทางสำหรับผู้ศึกษาอาบัตตั้งแต่นิสกิยปัจจิตีลงไปจัดเป็นอาบัตเบาเรียกและหูกาบัตและจะพลได้ด้วยวิธีแสดงเรียกเทศนาคามินีถุลใจก็จัดเข้าในหมวดนี้เหมือนกัน